พระธรรมเทศนาแผ่นที่เก้าสิบลำดับที่ห้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่าอย่าจองเวนจองกรรมอ้าวลูกหลาน ที่จัดอาหารอยู่ทางหลังท้ายสุดศาลาอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามตุลาคมพุทธศักราช2558วันก่อนหลวงพ่อก็จะไปในมณฑไปแสดงธรรมที่วัด บรพาวันอำเภอบ้นดุงจังหวัดอุดรของเราเนี่แหละเป็นวัดของท่านอาจารย์พระครูน้อยหลวงพ่อกลับมาเมาื่อคืนวานในสี่ทุ่มกว่ากว่าจะได้พักได้ก็นา น, นห้าทุ่มเมื่อวานหลวงพ่อก็เลยเบิกถอยหลังโอ้เหนื่อยลูกหลานนะอายุเจเนี่ยรู้สึกได้ ชัดเจนเลยอายุเจ็ดะป่าเขาเจ็ดสิบอ็ดนะ ล, ลูกหลานวันนั้นคนที่อายุเจ็ดสิบกว่าเนี่ยหลวงพ่อรู้สึกเลยเไม่เหมือนเก่าธาตุขันรู้ว่าถอยหลังถอยหลังไปเรื่อยๆแต่ถึงยังไงก็รู้มันว่า มันก็จะต้องถึงจุดจบอีกสักวันหนึ่งเราต้องคิดไว้ในใจต้องคิดไว้ในใจไม่ใช่คิดน้อยๆอีกต่างหากคิดให้หนักทีเดียวแล้วก็พร้อมกันสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสิ่งนั้นก็ควรจะตระหนักอีกเหมือนกันไม่ควรจะไม่ใช่ว่าตัวเองมา อยู่กินแล้วก็ขี้ลาดเที่ยวลาดเสร็จแล้วก็กระโดดหนีอันนั้นแปลว่าเป็นผู้ไม่รู้จักบุญคุณของอชาติกำเนิดที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเพราะนั้นให้พวกลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมหลวงพ่อเองเนี่ยสำนึกสำเหนียกนะสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์วันวานวั น, ว น, วนก่อนอหลวงพ่อก็ได้ไปนั่งเป็นนั่งหัวโตเซ็นสัญญา เกี่ยวกับสร้างอาคารเรียนให้กับโรง้กับโรงเรียนบ้านสมเศร้าอำเภอเพนนะมีท่านศาสตราจารย์ดรฮิรันรดีศรีท่านเป็นอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านได้มาพบมาพูดคุยกับหลวงพ่อท่านก็เคยสร้างอาคารเรียนมาหลายหลังที่นิคมคำสร้อยและที่บ้านกล้องของพวกเราเนี่ ที่ลูกหลานได้เรียนหนังสือทุกวันนี้ก็เป็นเงินของท่านแต่ในท่านก็ยังอยากจะทําอีกสักหลังหนึ่งที่โรงเรียนตนําบลสมเศร้าคนนั้นหลวงพ่อจะได้ไปนั่งหัวโต๊ะเป็นกลางในระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างแต่ผู้รับจ้างก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนี่แหละแต่ทียังไงการก่อสร้าง เราก็ตึงสืบส อ, อ, อบทุกแห่งหนที่บริษัทไหนบริษัทสู่กันเนี่ยล่าค้ากันเนี่ยมาตรฐานได้นั่งพูดคุยกันเนี่ยอันนี้คือประโยชน์ส่วนรวมหลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามประโยชน์ตนการเป็นอยู่การพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตาย ตามแนวแถวของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ไม่ได้ประมาทดูตัวเองอยู่เสมออันไหนทุกอันไหนเหตุให้เกิดทุกอันไหนเครื่องความดับทุกขอันนี้เราก็ต้องมองดูเพราะเรามาศึกษาในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคนเราเกิดมาทุกแต่ไม่รู้มันทุกมาจากไหน พระพุทธเจ้าท่นบ่งบอกไว้เลยว่าอริยสัจสี่อริยสัจคือของจริงให้พิจารณาตามของจริงอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักหลวงพ่อก็เลยมาเรียงลำดับใหม่ว่าสมุทัยทุกมักนิโรธ สมุทัยคือเหตุให้ทุกเกิดเหตุให้ทุกเกิดนั้นคืออะไรเออถ้าจะเปรียบเทียบกเ็เหมือนกับเราอยู่ดีๆอย่างเนี้ยมีน้ำเอ่อหรือว่ามีมีน้ำอะไรหล่นทับเราเอ่อมีน้ำถลนทับเราหรือว่าน้ำเราไปเหยียบน้ำอันนี้คือทุกละะเ เออพอะเหยียบน้ํามันต้องทุกพอผลแห่งการเหยียบน้ํามันทุแล้วจะเอาอะไรมาแก่ก็เอาเอาสิ่งที่มาบงคือทําทําหน้าที่บ่งออกเอเอาออกบง่บงบกน้ําออกอันนั้นคือมักได้เมื่อเราบ่งน้ําออกแล้ว เราก็มีความสุขเพราะว่าน้ำออกจากร่างกายเรา น, ะนี่แหละแล้วว่าสมุทัยคือเหตุให้ทุกเกิดก็คือน้ำนอกเมื่อตมเท้าของเราอันนี้มันทกุกข์ละจ้ในเมื่อมันทุกข์แล้วเราก็ต้องหาสิ่งที่มามเอาออกเอาน้นาออกจะเป็นเข็มหรือจะเป็นผ่าตัดถ้ามันหําใหญ่มันก็ต้องผ่าเข้าไปจากนั้นก็ผ่าแล้วก็รักษาแผลให้หาย อันนี้นก็คือเมื่อหายแล้วก็คือมีความสุขอันนี้คือนิโรธอันนี้นถ้าเรามาเปรียบเทียบในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าทุกสมุทัยนิโรธมักท่านพูดย้อนไปย้อนมาแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าเราเรียงตามลําดับให้พวกเราฟังศึกษาได้ง่ายก็คือสมุ ท, ทยัยก็เหตุให้ทุกเกิดมีอะไรบ้างดังว่าการมตัิหา ภาวะตันหาวิภาวะตันหาเนี่ยอันนี้เป็นภาษาบาลีนั้นลูกหลานกนัตถาญาจโฌมพวกเราฟังก็คงจะไม่เข้าใจกามัตันหาคืออะไรคือความทะเยอหยากมีคู่หัวผัวเมียออันนี้เคือว่าการมตันหาภาวะตันหาคืออยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งขึ้นไปอยากจะมีเงินมีทอง มีลาบมียศปีสระเสริญอันนี้เรียกว่าภาวะตันหาวิภาวะตันหาไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะเป็นคือไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากพัดพลากจากของที่ตัวเองรักไม่อยากมีความทุกข์ในสิ่งที่ตรงเองปรารถนาอันนี้เป็วิภาวะตันหาอันนี้เป็นสาเหตุใหญ่ ที่ทำให้ทุกเกิดพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะคณะสัทายาติโภมลูกหลานไม่ใช่คำพูดของหลวงพ่อนะพูดมาในพระธรรมคำสอนณว่าสมุทัยคือเหตุให้ทุกเกิดมีกามมตันหาภาวะตัหาวิภวะตันหาและจะแก้อย่างไรถ้าว่าจะเอามักมาแก้ก็คือการมตันหากระต่องพิจารณาร่างกายสังขารให้เป็นอสุภะปฏิูล อไม่ให้เป็นของไม่เสร็จสวยงดงามอันนี้เป็นสิ่งแล้วครับเอท่านปวดพระบวชเข้ามานท่านจะสอนเลยว่ากรรมฐานห้าเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังออันนี้มีเวลาน้อยสอนกันเพียงแค่นี้ก่อนนะอะตอนบวชแต่ถ้าบวชมาแล้วครูบาอาจารย์จึงสอนกรรมฐานให้เข้าไปอีกเอ มังสังเนื้อเอ็นกระดูกเรื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายอันนี้คือร่างกายของเราเนี่ยเป็นอยู่ด้วยอาการ32สองคือมีอยู่32สองอย่างที่ที่เราไล่เรียงตามลําดับดูอันนี้ว่าอาการ32สองของร่างกายแต่อาการ32สองของร่างกายนี่อีกสักวันหนึ่ง เออมันจะต้องแก่เจ็บตายสลายลงสู่ดินน้ำลงไปไม่ใช่ของเรานะอันนี้คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้มองให้มองเห็นตามความเป็นจริงแต่โดยมากพวกเราท่านทั้งหลายพ่อพูดคำนี้ขึ้นมาไม่อยากจะมองเออไม่อยากจะมองก็มันก็หลงอยู่ท่านว่าต้องให้มองต้องให้ดูต้องให้รู้ถ้าพวกเรารู้ที่ไปที่มาแล้วเราจะปรับปรุงใจของเราให้ถูกต้อง ถ้าว่าพวกเรายังหลงงมงายอยู่พวกเราจะมองไม่เห็นสัจธรรมคือของจริงเพราะนั้นท่านเจียงว่าก่อนที่เราจะมีเกิดความรักความชอบขึ้นมาเนี่ยเราต้องต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายสังขารนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปยึดมั่นถือมั่นร่างกายของค น, คนอื่นว่าเป็นของเราไม่ได้นะอันนี้ก็คือเป็นหลักธรรมอันนี้เรียกว่าการพิจารณา ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เียว่าระ ง, งับกาม เ, เบื้อง ต, นนต้นนะว่ากาฏาณหาส่วนวิภวตัณหา เ, เราก็ต้องพิจารณาถึงความตายอีกเหมือนกัน เ, เราอยากเป็ น, น, นอยากเป็นนี่อยากลำําอยากรวยอยากสวยอยากงาม อ, อยากไปหมดในสิ่งที่กิเลสหรือว่าเราต้องการแต่ตามไม่จริงเราก็พิจารณาอีกเอาเถอะ ถึงจะเดาเราจะได้มาในสิ่งเหล่านั้นสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาแต่โดยมากไม่สมปรารถนาเพราะความอยากในใจของเรานี่มีมากมายแต่บางทีบางครั้งก็ได้มาสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาแต่ถึงกระอย่างนั้นอย่างไงก็เถอะไม่มีใครที่จะเอาไปชั่วฟ้าถึงสลายต่างคนก็ต่างทิ้งทั้งหมดอีกสักวันหนึ่งทุกวันหนึ่งเห็นไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเรา ที่ท่านก็ตะกรันกับพิธีพิถันหาเงินหาคาทรัพย์สมบัติแต่ไม่ใช่หาเพื่อเลี้ยงตัวเองเท่านั้นนะหาเพื่อไว้ให้มากที่สุดแต่ถึงยังไงท่านก็ต้องแบมือทั้งหมดเทงทั้งหมดเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างนี่พวกตัวของพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะเช่นเดียวกันไม่แพ้กันอันนั้นเป็นตัวอย่างฉายหนังให้พวกเราได้ดูวา ง, วางภาพให้พวกเราดู เราจะต้องเดินตามนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเนีอันนี้แหละลึกถึงมรณะภัยคือความตายไว้อยู่เสมออันนี้พวกเราจะไม่หลงเป็นการระงับกิเลสความโลภในจิตในใจของพวกเราได้ทีเดียวถ้าพวกเราพิจารณาอย่างนี้อันนี้เราว่าภาวะตัณหาคือความทะเยอทยานอยากเกินขอบเขตเกินประมาณแต่ทางว่าพวกเราสะแสวงหาทรัพย์ตามอัตภาพหมันขยันได้มาโดยเป็นธรรม ถึงจะได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่จัดว่าเป็นความโลภเพราะหลายเพราะเราได้มาโดยเป็นธรรมแต่ถ้าเราไปเบียดไปบังไปคดไปโกงไปเอาสิ่งของของเขามาโดยที่ไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามศริธรรมอันนั้นเรียกว่าความอยากความอยากนั่นคือความโลภในหลักธรรมคำสอนนะให้พวกเราแยกแยะให้ออกจุดจุดนี้นะ อันนี้ก็คือภวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วนะพวกเราไม่อยากไม่อยากไม่อยากแก่ไม่อยากเห็บไม่อยากตายไม่อยากทุกข์ไม่อยากลำบากในเรื่องต่างๆที่เราอยู่ในโลกไม่อยากพัดภาคอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกส่วนหนึ่งตัวนี้จะทุกข์มากกว่าเพื่อนนะหลวงพ่อว่านะแต่จะทำอย่างไรได้มันถึงคราวมันก็ต้อง ต้องจะต้องพัดภาคจากการอยากหลงกันอย่างปู่ย่าตายายของพวกเราท่านก็ไม่อยากจะพัดภาคอยากพวกเราพวกเราก็ไม่อยากจะพัดภาคอยากท่านท่านก็จากไปแล้วก็ไม่มีวันกลับอีกต่างหากในร่างกายเนี่ยเรื่องร่างกายของท่านแต่ล่วงจวนละทางด้านจิตใจนั้นท่านอาจจะ ก, กลับมามาบอกกล่าวมาแนะนำสั่งสอนบอกพวกเราเอีกเพราะว่าท่านยังไม่มียังไม่หมดจากกิเลส ถ้าผู้ใดท่านเข้าหมดกิเลสแล้วท่านเข้าจุตินิรพานไปเป็นส่วนพระองค์ของท่านอีกมิติหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็คือเรียกว่าวิภาวะตัณหาการมรรตฐานวิภาวะตัณหาอันนี้คือสาเหตุให้ทุกเกิดเรียกว่ า, ามักทุกสมุทัยคือเหตุให้ทุกเกิดมักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาขอให้วันนั้นขอให้พวกเราขะาราชการญาติโยมลูกหลานทุกคนนะจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในจุดนี้ได้ในหลักธรรมคนนี้ให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาการอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละาตามอัตภาพไม่ใช่ว่าเสียสละทั้งหมดไม่ใช่จะมีขี้เตนีทีเดียวมันรู้จักแบ่งปันใครซะเลย ก็ไม่ถูกต้องอแต่ใจใหญ่เกินไปเสียสละไปหมดจนตัวเองเดือดร้อนมันก็ไม่ถูกอีกนี่แหละให้รู้จักหาและก็ให้รู้จักเก็บและก็ให้รู้จักใชใ้รู้จักแบ่งปันนี่แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพ ร, ร ะ, ะนั่นขอฝากไว้กับพวกเราทุกทุกท่านนะคณะ จ, จัตตาญาติโยมชีวิตนี่เป็นน้อยนักจริงๆผู้ที่มีอยู่มีชีวิตถึงร้อยปีนี่ก็เอ รู้สึกว่า อ, อยู่ด้วยความลําบากพอชุมควรแล้วถ้าต่ําลงมาจากร้อปีในก่อนนะ่ะถ้าเกินร้อยปีเนแะปลว่าอยู่ในความฉลานะโลกฉลาแนะปลว่าหาความสุขไม่ไดนะ้ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขา เ, เขาจะให้ความพึ่งพาอาศัยมากน้อยอย่างไงแค่ไหนอันนั้นสุดแท้แต่บุญวัดาสนาบาลมีแต่บางคนก็ลูกหลานดีกอประคบประงม พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้รับความสะดวกสบายตามอัตภาพแต่บางคนก็เนี่ยลูกหลานไม่ได้รับการอบรมที่ดีลูกหลานก็เนี่ยนะต่อหน้าผู้คนก็ดีแต่พอรับหลังท่านนั้นนะไม่จูวว้จีโชคหกหากตาเขียวดุดาว่ากล่าวแต่ผู้สูงอายุจะทํำยังไงเพราะจะตายก็ไปตายจะเดินได้ก็ไม่เดินไม่ได้ จะต้องทนทุกทรมานทางด้านจิตใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นล้วนแล้วแต่มีแต่ความทุกข์นะครัเราเกิดมาในโลกเนี่ยจริงไหมที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อหลวงพ่อเองเอาความจริงมาพูดมาแนะให้ลูกหลานได้ดูนะแต่ลูกหลานแต่ก่อนก็คงจะไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้สังเกตนะแต่ได้ยิน เ, เสียงหลวงพ่อพูดให้ฟังแนะแนวให้ฟังเนะี่ยให้พวกเราสังเกต แต่ถึงยังไงก็ตามจะทำยังไงล่ะหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้พวกเราประกอบคุณงามความดีเนอะจะตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยมันมีจุดจบได้อีกสักวันหนึ่งมันถึงจุดจบในเมื่อก่อนที่จะถึงจุดจบนั้นพวกเราก็ควรสั่งสมบุญกุศลบุญกุศล น, นี่แหละจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนถ้าเรามีพบหน้าชาติหน้าถ้าเราทาบุญไว้แล้ว บุญกุศลจะพาไปเกิดเมื่อพาไปเกิดนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่พึงปราถนาทั้งนั้น เ, เกิดมากเกิดในตระกูลที่ดีพ่อแม่ดีเกิดมาเออพี่น้องก็เข้าใจกันได้ดีจากนั้นกับวงสาคนณาญาติก็ดีไปคบภัยกันล้วนแล้วจะเป็นคนดีเพราะเราได้สังสมบุญกุศลไวนะ้แต่ถ้าเราไม่ได้สังสมบุญกุศลไว้ก็มันก็อีกส่วนหนึ่งเหมือนกัน แต่มีคำถามขึ้นมาว่าเอา้าพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สั่งสมบุญกุศลมาอย่างมากต่อมากแต่พอท่านเกิดขึ้นมาแล้วทําไมจึงมีคนอิจฉาท่านยังมีคนพยาบาทท่านละ่ะหลวงพอ่อทั้งท่านที่ท่านก็มีบุญอันนั้นท่านว่ามันจองเวรกันลูกหลานคณะทาญาติโยมถึงเราจะทําดีขนาดไหนก็เะคนที่จองเวรมันมีอยู่อย่างพระเทวทัตเนะี่ยจองเวรพระพุทธเจ้ามัน จองเวรมามีลูกหยดร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติมันผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรอย่างยาวนานทีเดียวเออแล้วก็ต้นตอต้นตอแห่งการจองเวรของพระเทวทัศน์นะอหลวงพ่อจะพูดใ ห, ให้เล่าให้ฟังอย่างย่นยอ่อนะก็คือเป็นในช่างทองอาขายทองนะเป็นพ่อค้าท้องด้วยกันคนอาชีพเดียวกันจะทะเลาะกันนะคณะทาญาิโยมลูกหลาน คนอาชีพเดียวกันเนี่ยจะทะเลาะกันคล้ายๆกับว่ า, าจะไม่เผาผีจีกระดูกกันลักษณะอย่างนั้นแหละถ้าพูดแบบชัดเจนนะถ้าเป็นวัววัวก็ต้องทะเลาะวัวถ้าเป็นควายควายก็ทะเลาะควายถ้าเป็นหมาหมาก็ทะเลาะหม า, าถ้าเป็นนกยี่ววตัวนั้นแหละยี่ห้อนั้นก็ทะเลาะกัน อ, อย่างเราเป็นคนเห็นนกกลางเขตอยู่ด้วยกันไม่ได้ทะเลาะกันตีกัน แต่นกตัวอื่นมามันก็ไม่ไม่มีอะไรเพราะมันพันอื่นใช่ไหมอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นนะพ่อค้าทองกับทะเลาะกับพ่อค้าทองพ่อค้าขายอันไหนกับทะเลพ่อค้าขายเสื้อผ้ากับทะเลกับพ่อค้าขายเสื้อผ้าพ่อค้าขายรองเท้ากับทะเลกันพ่อค้าขายยากับทะเลกันเอต่อพ่อค้าขายยาพ่อค้าพ่อค้าทองกับทะเลทะเลกันนี่แหละอันนี้พื้นพ่อค้าทองของพระพุทธเจ้าของพระเทวทัตเออ ไปขายทองด้วยกันผลนี่นถึงวันหนึ่งพระเทวทัตไปทางเหนือน้ําเมื่อกล้องข้ามไปฝั่งโค้งคนหนึ่งเป็นเมืองหัวอทางเมืองเวียงจันทร์คนหนึ่งไปข้างล่างผู้ไปข้างล่างได้ก่อนแล้วก็ผู้ไปข้างบนไปเจอบ้านเศรษฐีเก่ามีถาดทองคําเข้าเข้ า, ขายางปรีแล้วนะ่ะมันเขียวล่ะเพราทองคําทองทองไม่ได้ขัดเนี่ยทองไม่ได้ใช้ไปทิ้งไว้ เพราะไม่รู้จักคุณค่านะเพราะเป็นบ้านเศรษฐีเก่าแก่ได้ตกมรดกแบ่งถาดกันเล่ะผู้หนึ่งก็ได้ถาดมาได้ถาดมาัดำดำๆมาทิ้งไว้ในบ้านผู้นั้นจูก็ว่าอ้ออาวใครมีทาดมีทองเหลืองทองแดงมาเปลี่ยนเอาสายสร้อยได้เนาะยายเลคิดเห็นถาดตัวเองอยู่ในอยู่ในครัวนะที่ถาดทิ้งๆไวนะ้ก็เลยถือมา บอกว่าเนี่ยอในห้อย เ, อเรามีถาดอยู่ใบหนึ่ง เ, เราจะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยเป็นถาดทองอว่าทองนั่นไม่เกิดสนิมเนี่ยอามาดูเสยยายยายก็ยื่นให้ดูพ่อข้าทองขี้โกงเลวก็หมุกมับโอ้โหอ่ะอันนี้มันทองคำแน่แน่วะมันหนักขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ทองธรรมดาเนี่ยก็เลยคว้าออกมาเอาเข็มมาจัด ก, กระเป๋าตัวเองกับเป้ตัวเอง เอามากรีดดูพอกีดดูโอ้โหไทยตุ้ยอะไรกัอ่อนนุ่มทองคําะนี้เออแล้วก็ยายก็ถามว่าจะเปลี่ยนให้ได้มากเท่าไหร่ล่ะในห้อยอคือเท่าแกหรือว่าไออผู้ที่มาขายขายทองออไอ้นั้นก็ขี้โกงอยู่แล้วใช่ไหมโอยอันนี้ทองไม่มีคุณค่าเลยทองเนนี้จะเปลี่ยนได้สายสร้อยก็เพียงสองสามเส้นเท่านั้นแหละครับ เออพวมันทองเข้าอย่างปีมันดำปีอย่างนี้แหละมันไม่มีราคาแล้วเออทางยายโอ้ไม่ได้หรอกหลานของของฉันเป็นเงกสิบผนแล้วนะเออเราจะไปเปลี่ยนเพียงสามสี่เส้นเนี่ยไม่ได้หรอกถ้าเปลี่ยนไปก็ทะเลาะกันอีกจะทํายังไงไม่เอาละไม่เปลี่ยนแล้วเนาะเนาะตัแกเนาะนะเสียเนาะเออครับอันนั้นก็เก็บของเข้าไปแต่ในใจมันหมกหมกหมกหมกหมั บ, มม บ, มม บ, มมบเออ แต่ถ้าจะเปลี่ยนเร็วเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่าดูๆเขาจะดูถูกตนเองเลยกะทิ้งไว้ก่อนทำท่าไปอีกสักหน่อยจะย้อนกลับมาจะมาเปลี่ยนเขาจะเอาเท่าไหร่ก็ให้เขาเพียงสิบเส้นเป็น ไ, ไปเป็นไรไปอันนี้เป็นถาดทองคํเลยนะจากนั้นเราก็พอเก็บสิ่งของล้วก็เดินไปก็ไม่คาดไม่คิดว่าไอ้อยู่ข้างล่างไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งมันมาทางทางทางัทง้งทงใต้น้ำน่ะ มันเดินขึ้นมามันเดินเร็วจนมันไม่ได้ขายของไงไม่มีใครซื้อมันก็เดินดุมดุมดุมขึ้นมาเลยเพราะเขามาเห็นบ้านหลังนี้อีกไเออแล้วเอาใครมาเปลี่ยนเอาทองก็ได้เอาเงินก็ได้ามาเปลี่ยนสายสร้อยสา ย, ยแหวนของผมนะผมจะเปลี่ยนทองแดงทองเหลืองที่ไหนอเปลี่ยนกันตามตามความเหมาะสมใหญ่ยยก็เรยวเอา้ามานีนอีกรูปจะนะ เสียแต่ผมที่ฉันก็จะเปลี่ยนมันดูซิที่ไหนยายเอาทองถาดทองคําเข้ามาแต่มันเข้าอย่างปรีแล้วนะมันดํำกระดงกระด่างหมดแล้วเพราะทองคําไม่ได้ขัดใช่ไหอที่ไหนทอเออเสียเนี่เสียนี่ก็มาจับยกขึ้นมาโอ้อันนี้ทองคําเนี่ยแล้วก็ดูเนี่ยนละมีพ่อค้ามาเมื่อกี้เนี่ย พึ่งไปไปเนี่ยยกให้แล้วว่า เ, เขาบอกว่ามันไม่มีราคาเขาเปลี่ยนให้ได้แต่สามสามสี่ชิ้นทนเองเอแต่หลานของฉันมีตั้งสิบคนสิบกว่าคน เ, เดี๋ยวเขาจะทะเลาะกันในฉันไม่เปลี่ยนให้เขาเเพ่อคา้าคือพระพุทธเจ้าใช่ไหม เ, เป็นพวกเป็นพ่อค้าที่ซื่อสัตย์ตัวนี้ยกขึ้นมาโอ้หนักยหญยอ เนี่ยของยายเนี่ยมีราคามากนะอถ้าผมจะยกให้ทั้งกระเป้เลยเออก็ไม่คุ้มไม่เท่าราคาของถาดไปนี่นะยายนะอลายยายจะเปลี่ยนไหมเอาเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นก็เอาเลยเออเอาเลยเอาถาดไปเลยไอ้ผงค้าเสียดหนุ่มคนนี้ก่อยกกระเป้ให้เลยเทพวดเลยว่างั้นะเออให้ยายเลยไม่รู้กี่เส้นแล้วว่างั้นแต่ เทให้ทั้งกระเป้เลยกระนั้นเอาทองคํายัดใส่กระเป้ใส่หลังเลยวะกันไอ้นี่รู้แล้วไอ้เพื่อนของเราเนี่ยมันขี้โกงเอมันไม่ซื่อสัตย์สุดจริตต่อใครทั้งหมดมันพอจะได้มันอะไรมันเอาทั้งหมดไอ้นี่หาความซื่อสัตย์ไม่ได้ะดวงวิญญาณเนี่ยมันบอกนะอจากนั้นก็ไอ้นี่ก็พอขึ้นถ้าว่ามันกลับมามันคงมันพงจึก เชื่อเงืเ่อนมาเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาแนี่ๆเออไอ้นี่ก็อ่านกันออกอีกต่างหากเหมือนกันนะเอออ่านชั้นเชิญกันออกอีกต่างหากเดี๋ยวมันก็กลับมาเนี่ยเราต้องรีบไปเลยพอได้ทองเท่านเดินดุ่มเลยเออทั้งวิ่งทั้งเดินนะเออเพื่อจะให้ถึงฝั่งน้ำํำพอถึงฝั่งน้ําก็เห็นเรือเอาเรือเข้ามาเลยเรือเข้ามาขึ้นเรือแล้วพายเจ้าเลยเรือเลีล้วคงจะไม่ คงจะไม่มีไม่ใช่เรือเรือยนต์อย่างทุกวันเลยไม่ใช่เรือหางยาวทุกวันนี้ใช่ไหมคงเป็นเรือภายฮเออพายนั่งกับพายจ้ำเล็วนะพอไปถึงฝั่งเท่านั้นแหละไอเจ้านี้นะ่ะเดินไปหน่อยหนึ่งนะกลับมากลับมาก็ถามว่ายายเป็นไงถาดใบนั้นยังบอกโอ้ยเขาเอาไปแล้วนะนี่เสียเขาเทออกมาจากกระเป๋าจากกระเป๋าให้ทั้งหมดเลยนะเครื่องประดับ เรื่องประดับทองเหลืองทองแดงเอเท่านั้นแหละเหมือนกับเอาคอ้อนตีหางงูจงอางอะไรแบบ น, นั้นเลยโตขึ้นมาอย่างแรงเลยเออเขาไปทางไหนกับพู้เขากดหาดทางมาของเขานะ่ะทางฝั่งแม่น้ำเขารู้จัก อ, อยู่ด้วยกันอย่างนี้ในท้องถิ่นของเขาเนะี่ยก็วิ่งเร็วกั้นเน่ยพอวิ่งที่ไหนได้แ้นนไปถึงฝั่งทางโน้นพอดีนะ่เละ อไปถึงทางฝั่งทางนู้นพอดีเออท่านกําลังจะขึ้นฝั่งไอ้วิญญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียหนุ่มคนนั้นอ่ะไอ้เสียหนุ่มขี้โกงเนี่ยพอไปถึงฝั่งทางนี้กนน็ตะโกนเลยวันป้าท้อตะแกมาทําไม ห, าหักหลังกูถึงขนาดนี้ไวไ้เลทั้งที่เป็นเพื่อนกันไอ้ทางนู้นก็บอกเอ้ยไป ห, หักหลังได้ยังไงเราก็ถามว่าตะแกไม่เอาเ่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นถาด ทองเนะี่ยเราก็เนี่ยเราก็เอานหละเออถ้าเป็นแหล่งอย่างนี้มันหักหลังกันเนะี่ยเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันไม่ได้ล่ะเราเออตั้งแต่บัดนี้ไปตัดญาติขาดมิตรจะเป็นอริจตู ต, ต่อกันต่อไปภายภาคหน้าข้าพเจ้าจะจองเวรทุกออกูจะจองเวรมึงทุกพบทุกชาติว่าไม่ใช่ธรรมดาดเนี่ยโมโหขึ้นมาอย่างสุดขีดนะเนี่ยกูจะจองเวรจองกรรมกับมึงทุกพบทุกชาติทุกเม็ดหินเม็ดใส่ พอวาดแล้วนั่นก็เลยเอากําท ร, รายขึ้นมาสองกเอะกําเต็มกําเลยกำเต็มกํา ม, มือนี่แหละยกขึ้นมากูจะจองเวีนจองกำ ม, มือทุกพบทุกชาติทุกเม็ดหินเม็ดทรายไอ้ทางเพื่อนอยู่ทางนู้น่ะทางฝั่งเรือโอ้ยเพื่อนชักจะเกินไปมั้งเอากำเดียวก็พอมั้งถ้าสองกํานึ่งก็จะถีกเกินไปว ะ, ะพอวาดแล้วเพื่อนนั้นได้กันแสนดีนะเท วางกรำหนึ่งเหมือกันนะวางวางกรำหนึ่งแล้วออกกรรมที่อีกกรำหนึ่งก็แทกเขาหน้าอกเลยเพราะมันโกรธเต็มที่เลยเอาก็แทกเขาหน้าอกอาเจียนเป็นเลือดอ้วกออกมาเลยตายในหาดทรายนะเอตายในหาดทรายนะแต่ในไอเสี่ยคนที่ได้ถาดทองคําแล้วก็เปิดเนบแล้วก็เราไม่ได้ฆ่าใช่ไหมล่ ะ, ะมันจะตายกับช่างหัวมันนะนั้นก็ไปใหญ่เลยไปเลย ไอ้ น, นี่ก็เลยตายอยู่ในหาดทรายเขาก็ไม่ได้พูดว่าใครจะไปเผาไปฝังเขาไม่ว่ากันเลยตนี่ยตั้งแต่บัดนั้นชาตินั้นเป็นต้นมาพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาพบใดชาติใดขวางกันอยู่ตลอดนะนี่แหละความอาฆาตพยาบาทจองเวรมันเกิดมีได้นะขนันธ์ตถาญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อถ้าเป็นหลวงพ่อนะออถ้าเป็นหลวงพ่ออินเนี่ยพ่อได้ถาทองคามาแล้วเนี่ย ถึงจะข้ามไปฝั่งนู้นก็เถอะเอ้ยเพื่อนเอาเถอะนะถึงยังไงเราแบ่งกันคนละครึ่งกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะแบ่งให้เเราไปทำมาค้าขายด้วยกันมีอะไรเจอของดีเจอของได้ของมาก็ต้องแบ่งกันนะนะั่นและเอเอเราผมจะแบ่งให้ถ้าเป็นหลวงพ่อผมพ่อก็จะแบ่งให้อย่างน้อยก็สักเออแบ่งแบ่งเป็นครึ่งนึงอาจจะให้สักสองอาจจะเป็นห้าส่วนให้อันนั้นสักสักสองส่วน เราเอาสักสมส่วนพอเราไปาให้สินค้าเข้าไปตัดออกก็ได้แบงออกก็ได้หน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าคนไม่ทะเลาะกันนะถ้าคนทะเลาะกันมันก็เป็นอย่างว่าถ้ากูได้กูไม่ต้องแบงเพราะมือโง่ไอ้ผลที่สุดกันเนี่ยมันทะเลาะกันเพราะฉะนั้นโลกทุกโลกโลกทุกวันนี้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่ตลอดก็เลยพวกที่โง่ทั้งหลายถูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันทั้งนั้น อีลงตรงนังอีหลังตังนงกันอยู่ในโลกวัะสงสารภาษาอะไรทองคำตายแล้วเอาไปด้วยไม่ได้ทิ้งไว้ในโลกถึงเหมือนกันทำไมเราจึงจะไปยึดถึงขนาดนั้นแต่ตามไม่ยิงพระพุทธเจ้าของเราในชาตินั้นก็รู้สึกว่ากร <c oughs> ะติกพอสมควรเหนียวพอสมควรไม่ใช่น้อยธรรมดาแต่เทวทัศน์เนี่ยกันขี้โลกมากพอสมควรแค่ๆว่ามันคงจะเท่าๆกันนะ <c oughs> ในภพนั้นชาตินั้น แต่พอมาถึงชาตินี้พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเลยบำเพ็ญศีลปฏิบัติคุณงามความดี เ, เกิดมาพบใครฉลาดมีแต่ให้อภัยถึงเทวทัตทัตจะจะฆ่าจะแก้งจะอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ถือโทษโกรธเคืองให้อภัยมีแต่เอามือปกป้องไว้เท่านั้นเองหนีห่างฮะแต่พระเทวทัตนี้มีแต่ ผูกพยาบาทอาฆาตพระพุทธเจ้าจนนาทีสุดท้ายเอพระพุทธเจ้าประเทวทัตจะตายแผ่นดินจะสูบจึงเห็นเห็นคุณข้าวเออข้าพเจ้าได้เบียดเบียนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําอะไรให้กับเราเลยมีแต่เมตตากับเราแต่เราได้ทําเกินไปใช่แล้วเอพอแผ่นดินสูบลงไปถึงคอท่าอแผ่นดินแยกลงไปถึงขอเอมีแต่ขากรรไกรข้าพเจ้าเออ ขอกราบคารวะพระพุทธเจ้าโปรดโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าโดยเถิดข้าพเจ้าเห็นโทษแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าทำไม่ถูกไม่เป็นธรรมพระพุทธองค์เป็นผู้เป็นธรรมเป็นผู้มีเมตตาแต่ข้าพเจ้ามีแต่ความพยาบาทอาฆาตจองเวรข้าพเจ้าเห็นโทษขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยขากรรไกรด้วยเถิดและใครเข้าเป็นเอาขากรรไกรเป็นดอกไม้ทูบเทียนบูชาบูชาพระพุทธเจ้า จากนั้นกับแผ่นดินก็นแยกพบลงไปตกอยู่ในเอเวจีมหานรกพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าบอกว่าเด็กถ้าเทวทัตนี่นะไม่ระลึกไม่สํานึกในความผิดของตนเอง เ, อเทวทัตจะลงในพื้นแผ่นดินไม่มีวันผุดวันเกิดเลยไม่มีไม่มีกำหนดว่าเทวทัตจะอยู่นานเท่าไหร่แต่นี้พระเทวทัตสํานึกผิด เ, เห็นความผิดของตนเอง พระพุทธเจ้าพระเทวทัตเมื่อพ้นจากตกนรกอเวจีขึ้นมาแล้วจะมาเกิด อ, อมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัตสงสารนานเท่า น, านั้นจากนั้นเขาจะได้ตัดรู้เป็นพระปฏิเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตในชาตินั้นะพระปฏิเจกองค์นะี้เวลาจะพูดจะแสดงธรรมเวลาจะพูดกับใครเนี่ยคนต้องอามือปิดปากไว้ปากเหม็นไนงะ แม่พ่อบาปกรรมที่ตนเองได้หาเรื่องต่อใส่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตถาคอที่ทําบาปกรรมอันหนักเอเวลาจะพูดขึ้นมาเนี่ยคนเอามือปิดจมูกไว้แต่มันมันเหม็นนะใ้ชาติที่ในชาติที่พระประเจกพุทธเจ้าจะ อ, อุบัติขึ้นในโลกอพระประเจกพรพุทธเจ้าเทวทัตเนี่ยพระพุทธเจ้าพยากรณ์ด้วยเลยนะ ในอนาคตเนี่ยเทวทัตจะได้เกิดเป็นพระพุทธได้เกิดมาแล้วจะได้บวชได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมเป็นพระปฏิเจกพุทธเจ้าในอนาคตตาการไงก็นับว่าดีนะหลวงพ่อว่าถึงจะตกนรกไปก็ยังได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจา้าอ่ะจะได้เป็นพระปฏิเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะเออเผอๆจะดีกว่าพวกเราอีกท่านทั้งหลายอีกพวกเราท่านทั้งหลาย นั้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเราได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าหรือพระหารหรือพระพุทธเจ้าองค์ไหนบ้างพวกเราอาจจะตกต่ํากว่าเทวทัตอีกก็ได้เพราะฉนั้นพวกเราท่านท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนื่องจากทาญาทโยมลูกหลานประกอบคุณงามความดีอย่าไปจองกรรมจองเวรกับใครทั้งหมดไม่เป็นผลดีหรอกมีแต่ให้อภัยในดีที่สุดนะเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระงับไม่ได้ ถ้าหากว่าพวกเรายังจองเวียนกันอยู่มันไม่มีที่สิ้นสุดนะถ้าต้องเวียนกันอยู่ข่าวนี้ใช่ข่าวนี้เขาชนะเราข่าวหน้าเราชนะเขาข่าวนี้เราชนะเขาข่าวหน้าเขาชนะเรานะมันหมุนเวียนกันอยู่นั่นแหละพลิกคว่ำพลิกหงายอยู่อย่างนั้นนะในโลกเนี่ยถ้าให้อภัยกันซะเรามีแต่หนีอย่างเดียวจะทํายังไงขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอีกเออ ให้หมดกิเลสราคะโทสะโมหะเอะตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระธรรมคําสอนของพุทธะที่ดันได้สอนไว้ตรัสไว้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์อย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดเอเห็นการเวียนไหวตายเกิดต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายถึงจะมีสุขขนาดไหนก็เถ อ, เอะอข้าพเจ้ามีความสุขเนี่ยมันไม่ใช่สุขที่แท้จริงบางทีสามีภรรยาลูกหลานเงินคําทรัพย์สมบัติ ประเทศชาติบ้านเมืองเจ็บโรคภัยโรคภัยไข้เจ็บปรุมเลา้าโพธิสูตรตายจะมีความสุขไหมอย่างนั้นมันมีความทุกข์ถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วมันมีความทุกข์เกิดมาพบหน้าชาติอากับเหมือนกับชาตินี้แหละไม่เป็นอย่างอนเพื่อเพื่ออาจจะกว่ า, าชาตินี้เราก็ยังไข้ค่อยยังชั่วอยู่นะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเรายังมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์คุ้มครอง ชาติไทยของเราถึงจะดุดันยังไงก็ยังมีเมตตาต่อกันอแล้วก็ศาสานาก็มีศาสนาพุทธศาสนาได้นําสั่งสอนอย่าได้เบียดอย่าให้เบียดเบืยนเึ่นกันและกัดรักเมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์กันในวิาชาศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านเราไปเกิดแถวนั้นแถวชีลงซีเลียอย่างทุกวันเนี่ยลูกหลานทั้งหลายคิดดูให้ดีสิโอจะทุกข์ขนาดไหนหลวงพ่อว่านะ อันนี้รับว่าเราอยู่ในเกิดในประเทศปฏิรูปประเทศสวาโซจกะกรปุเพจักกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิปฏิรูปประเทศคือประเทศไทยของเราธรรมชาติก็ไม่ค่าพวกเรามากแผ่นดินก็ไม่หว้นไหวแล้วก็ฟ้าฝนก็ไม่ถลม่มมีแต่ปีห้าสี่ท่านะน้ำท่วมกรุงเทพนะปีนด้เห็นไมทุกพอสมควร แต่ก็เป็นฝีมือของพวกไม่ได้เรื่องนะไปกัดกัดกันน้ําให้ท่วมนะถ้าปล่อยตามปกติมันก็คงจะไม่ท่วมหลวงพ่อว่าคราวนั้นนะเออนี่ยนะอันนี้นก็คือปี5้าสีน้ําท่วมเมืองไทยของเรามากเพราะจงควรเออนอกนั้นก็ไม่มีอะไรยังไม่มีมากถึงขนาดนั้นเพราะนั้นทำใม้ชาติไม่ได้ฆ่าประเทศชาติของเราสลายแผ่นดินก็ไม่ไว้น้ําก็ไม่ท่วมพายุ ก, ก็ไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็มีอยู่นะ ก็ไม่ถึงกับฆ่าคนให้ตายเป็นเบือร์นะนี่แหละอันนี้นปฏิรูประเทสวาโซจะปุบเพจากตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้ทําคุณงามความดีไว้ในอดีตแต่ชาติแต่ตั้งความปรารถนาเออสาธุนะผู้ฆ่าเนี่เกิดพบใดชาติไดขอให้อยู่ในประเทศที่จะได้อดได้อยากให้มีอยู่มีกินเออแล้วก็ให้พบพระพุทธศาสนาผู้ปกครองประเทศชาติก็ให้เป็นศีลเป็นธรรมเนี่ยเราพิดตั้งความปรารถนา อย่างนั้นในจิตใจของเราพวกเราจะได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเนะนี่ยวุปเพจักระกกตะปุญญาตาได้ทำบุญกุศลไว้ในอดีตนะอัตตะซัมมาปดิธิแต่บางคนมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยนะตั้งความป ร, ปรารถนาไว้ดีอยู่แต่พอมาเกิดขึ้นมาหลงลืมหลงนะว่าข้าเป็นใครนะจากนั้นก็กลอบอยากได้ก็ากมีเท่าไรลอทั้งหมดเห็นใครก็โกรธทั้งหมด หลงทั้งหมดว่าตัวเองจะไม่ตายเอผลนิสูตรเนี่ยแหลอมีราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงในจิตในใจทําแต่ความชั่วเท่เนี่ทําแต่ความชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอันไหนจิตมาจึงความชั่วเอาเขาขนมาหาหาตัวเองทั้งหมดในเมื่อตายจากชาติที่กันนี่แหละอาจจะไปเกิดแถบๆนั้นแหะอาจจะกว่านั้น อ, นะอีกนะ่ไปเกิดในกลุ่มที่หัวโตๆท้องใหญ่ๆขารีบๆนะี่เพอๆอย่าง พวกไม่มีเสื้อผ้าต่างหากมีได้โลกเลยลเราเห็นเขาถ่ายภาพมาให้ดูเห็นไหมลูกหลานโลกเดี๋คิดว่ามันจะหมดแล้วนะคนปา่าคนรงอย่างพวกเราได้เห็นสมัยเราเรียนเรียนหนังสือเป็นเด็กแต่ก่อนพวกเรายังโง่ยังไม่มีเสื้อผ้าแต่มันมีจริงๆวอะอะนี่แหละพวกเราอาจจะไปเกิดอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราทํากรรมชั่วเพอท่านกรรมชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่า คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังฮรนั่นนะแล้วจะทำยังไงหลวงพอ่อให้มีศีลห้าหลวงพ่อว่าศนะีลห้าเนะ่ยเป็นศีลคุ้มของโลกมาตั้งแต่ดึกตดำวันถ้าคนไม่มีศีลห้านะเขาเอาไปขังคุกไว้ได้ให้ไปถามดูนะอะที่ขังคุกในเมืองกุฎอนหรือขังคุกที่ไหน โดยมากผิดศีลห้านะลูกหลานนะเอ อ, อย่างน้อยก็ฆ่าขาโมยประพฤติผิดในลูกเปี๊ยคนอื่นแต่ละ ก, ก็ขี่ตัวโกหกใช่ว่าใช้ว่าจามไม่สัมไม่เป็นสัมมาวาจาเข้าคุกเพราะการพูดด่าคนนั้นด่าคนนี้ปราหมาดคนนั้นคนนี้เเขาจับเข้าคุกนะอันนี้ก็คือผิดศีลข้อที่สี่ แล้วข้อที่หนะ้าเนี่ยเพราะดื่มสุร า, ราคันชายาวฝิ่นของเมอนเมาเสพยาเสพติดเข้าไปแล้วขาดสติอันนี้ก็ททำความชั่วสรุปแล้วก็คือนะเอคุกตารางนะเลาดยาวบางขวางเรือนจำเมืองอุดอรเนะ่ขังคนที่ไม่มีสินห้านะ่ลูกหลานะ่ยไปามถาพนะุหลวลงพ่ออยู่ในปานนะ่าในดงหลวงพ่อจจะคิดมากก็ได้แต่หลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อคิดถูกนะพูดถูกนะจึงพูดนะ แขงคนที่ไม่มีศีลห้าถตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในทันีีนะ